Salā, tayo dhamma ko sala, dasa dhamma akusala, dasa d a พัฒนากับเราในช่วงนี้นะได้มนศิการได้เจริญกุศลกันที่จริงพูดตรงนี้สาธยายตรงนี้ก็คือต้องการให้เราเห็นคุณของพระเจ้าจริงๆว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นธาตุของพระเจ้าจริงๆนฉะนั้นกรรมฐ า, านในการที่เราจะเจริญหรือเดินพุทธานุสติ ถ้าเราไม่เห็นพระทานบารมีศีลบารมีของพระศาสดาเนี่ยชีวิตเราเป็นหมันนะชีวิตจะเป็นหมันเพราะเราละลึกคุณของพระศาสดาไม่ได้ถ้าเราตหนักในลักษณะอย่างนี้จะเห็นที่จริงในภาพที่คนที่เขาเนึกหน่วงค่อนข้างได้ดีเนี่ยเขาจะสงบสติอารมณ์ค่อนข้างได้ดีมากคือธรรมชาติของใจเนี่ย เป็นธรรมชาติที่ดูแลยากรักษายากเพราะใจของสัตว์ทั้งหลายโดยมากจะชำนาญในเรื่องของกามคุณโดยมากจะโหย ห, หาวิ่งหาในกามคุณถ้าหนึงบอกว่าปลาเนี่ยชำนาญที่จะวิ่งลงน้ําสัตว์ก็ชำนาญที่จะวิ่งเข้าป่าใจของปุถุชนคนพานทั้งหลายก็ชำนาญมาก ที่จะวิ่งก็หารูปเสียงกินรสสัมผัสแต่ทำอารมณ์ที่เป็นการมกุลกับวัตถุกรรมทั้งหลายถ้าเราบอกว่าถ้าเรามีลูกบางคนเนี่ยลูกตายลูกตายสามปีสี่ปียังไม่ยอมเลิกคิดถึงลูกเลย ถ้าเราคิดถึงคุณพระพุทธเจ้าหรือถ้าเรามีความรักในพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยเราบรรลุไปแล้วเนี่น่าเสียดายกําลังใจเนะถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนจากความที่เรารักพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าเหมือนเรารักลูกรักทรัพย์รักภรรยารักสามีแต่เราเปลี่ยนใจจากการรักด้วยกา ม, มาชันท้ามาเป็นรักด้วยฉันทะ รักด้วยศรัทธาที่มุ่งมั่นด้วยความกล้าแข็งเราจะกล้าทําทุกอย่างที่เกี่ยวข้องที่จะบูชาพระพุทธเจ้าเราจะกล้าบูชาพระพุทธเจ้านะกายกรรมบูชาให้เป็นทานยังไงวจีกรรมบูชาที่เป็นทานยังไงมโนกรรมบูชาที่เป็นทานยังไงกายกรรมที่บูชาให้เป็นศีลยังไงวจีกรรมบูชาให้เป็นศีลอย่างไง มนโนกรรมบูชาที่เป็นศีลย่างไงกายกรรมบูชายเป็นภาวนาอย่างไรวจีกรรมบูชายเป็นภาวนาอย่างไรมนโนกรรมที่เป็นบูบชาด้วยมโนกรรมที่เป็นการบูชานีา่ยเราจะทําได้ครบหมดเลยทางศีลภาวนาเนี่เพราะเรามีความตั้งมั่นในคุณของพระศาสดาถ้าคนให้สังเกตนะว่าสาวก อุบาสกอุบาสิกาที่ตัดสูส้เน่ตามพุทธเจ้าศรัทธาพุทธเจ้ามาเลยและมุ่งมันน่นดังนั้นไม่มีถอยจากการที่จะถอยใจออกจากพุทธเจ้าเราดูอย่างใครดูอย่างอนาถปินฑิกาเศรษฐีพอท่านได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแค่นั้นแหละ ท่านนอนไม่หลับตั้งแต่ยามต้นเป็นต้นเป็นไปตามลาดับตั้งแต่หกโมงเย็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุมหกทุ่ ม, มใช่ไหมสี่ทุ่มถึงมาฉิมมายามจากสี่ทุ่มตีสองเพราะปะัดฉิมมยามพอเริ่มตีสองไปเนี่ยท่านทนไม่ไหวนั้นสภาพของกระแส ใจของท่านที่มีศรัทธาที่มุ่ง ม, มั่นเนี่ยในคุณของพระศาสดาเนี่ยท่านทนไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่จะเดินออกนอกเมืองเต็มไปด้วยสิงาาาสาราฉะสดเต็มไปด้วยซากศพนี่แปลว่าท่านเห็นอะไรศรัทธาท่านโลดแล่นศรัทธาก็เลยเป็นปัจจัยแก่ปลาหมวดปีติและปะสัสสถานความสุขสมาธิไงแสงสว่างมันเกิด เนี่ยถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นเนี่เออแต่ถึงกันนั้นศรัทธาอย่างท่านอนาถาปินฑิกาก็ยังไม่ถึงฉันทิฏฐิบา ท, ที่แรงกล้าเนี่ยนะอันนี้เอาแบบเบาๆเนี่ยเอาแบบระดับกลางๆที่นี่มันเลยไปจะอุกฤษนิดๆนะถ้าฉันท่าแรงกล้าเนี่ยแรงกว่านั้นแรงเหมือน พระหมากับพี่แน่นแรงแบบนั้นเนี่ยที่ทิ้งทันทีเลยเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพระธรรมอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพระสงฆ์อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก้อนี้ยอุบัติเกิดขึ้นมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วปัจจุบันก็ยังอยู่ทั้งนั้นลัตตนาสามเนี่ยแต่ต้องถามใจเราที่ทาไมไม่แรงในคุณของพระพุทธเจ้าเพราะข้อมูลยังน้อย ฉะนั้นความที่ข้อมูลยังน้อยหรือความลึกซึ้งยังไม่ถึงึ่งนเนี้ยเราต้องพยายามเก็บเกี่ยวข้อมูลให้ชัดการเห็นคุณของพระาศาสดาจะได้แข็งแรงและจะได้แรงกล้าขึ้นแล้วต่อไปเนี่ยเราจะรู้รู้จักพระพุทธเจ้าการเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้านั้นมองหน้าของพระาศาสดาให้ออกว่าพระาศาสดานั้นมีพระประสงค์อะไรในตัวเราท่านทั้งหลายนั้นคิดให้ออก ถ้าคิดไม่ออกเนี่ยชีวิตของเรามันจะบอดเป็นหมันเลยนะเราก็ไม่รู้จะไปยังไงมันจะไปได้แต่เป็นแต่ละวันแต่ละวันเท่านั้นเองแต่ถ้าคิดออกเนี่ยความมุ่งมั่นในคุณของภาษาสดานั้นจะแรงจะแข็งแรงแล้วก็จะมุ่งมั่นมากสังเกตยังไงสังเกตดูสภาพจิตใจของเราท่านทั้งหลายเนี่ยว่าเป็นธรรมชาติที่มีความแข็งแรงเป็นธรรมชาติที่มีความมุ่งมั่นในคุณของภาษาสระไหม สังเกตตรงไหนสังเกตตรงเที่ดูฉันทะที่เกิดร่วมกับศรัทธาที่ถ้าฉันทาที่เกิดร่วมกันกับศรัทธาเนี่ยเขาดูตรงไหนถ้าได้ยินว่าพระศ า, าสดาอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วแล้วตอนนี้พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมอยู่เนี่ย ท่านพูดถึงตัวอย่างชันท้าของพระเจ้าธรรมโสนทะที่ละทิ้งราชบัลลังก์เพราะคิดว่าการเป็นพระราชาผู้ปกครองเมืองพราราสีที่ไม่ได้ยินเสียงวัรรมแม้เพียงบาทเดียวหรือคาถาเดียวเนี่ยนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีประโยชน์อะไรจะมีประโยชน์อะไร พอท่านคิดอย่างนี้เบีดเสร็จแล้วท่านก็ทิ้งลาชบรรลังเพื่อไปฟังธรรมของพระศาสดาหรือเหมือนพระมหากัิญิ์ได้ลักษณะอย่างนี้เห็นชัดเลยว่านี่ไงเนี่ยชันทิธิบาตมาจากคำว่าเป็นมูลรากแห่งความสำเร็จอิธิบาทเป็นมูลรากแห่งความสำเร็จ เป็นมูลรากแห่งความสําเร็จก็คือเป็นเหตุแห่งความสําเร็จชานาปัญญาเมตผลอยู้ไอิทิเนี่ยเหตุผลที่เราไม่ได้อิทธิเพราะฉันทะเราเกิดร่วมกับศรัท ธ, ธาไม่แข็งแรงพราะเกิดไม่แข็งแรงเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เติมเชื่อเพราะเราไม่ได้อาหารเพราะไม่ได้เรือลึกถึงคุณของพระศาสดาให้ต่อเนื่องถ้าหากว่า พระเจ้าพิมพิสารนาถาพินกัเสือถีฉันทะยังไม่จัดว่าแรงกล้าเท่าไรเนอะเพราะพระศา ส, สดามาที่แฟง น, นั้นแล้วนาถาก็มาธรรมดาแล้วก็มามาเจอเนี่ยนะอย่างนั้นไม่จัดว่าแรงกล้าแรงกล้าไงเดินไปแล้วพอไปเหยียบศพแล้วปิติร่วงดีน่าใสาเทวดาที่ปาฏินาว่า ถ้าท่านผู้นี้ได้บรรลุธรรมบุญกุศลเราจะมาแล้วก็เลยชำระทางให้บอกทางให้ทำให้หายกลัวเป็นต้นจึงไม่เรียกว่าเป็นชันทิฏฐิบาทถ้าอย่างเราเราไปเทียบกับพระเจ้าพิมพิสารกันาถายิ่งอ่อนกว่า น, นั้นจะได้รู้จักตัวเองไงว่าเราอ่อนถ้าเราไม่รู้ว่าอิทิบาทหรือชันทะที่เกิดร่วมกับชันทะของเราเนี่ย อ่อนแอเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราจะเพิ่มทำไมเรานึกว่ามันแข็งแรงแล้วไงฉะนั้นอย่าไปสำคัญว่าตอนนี้ศรัทธาเราเข้มแข็งอธิบาทเราเข้มแข็งต้องจัดว่าอยู่ในชั้นของการไม่น่าเป็นห่วงคือไม่ปลอดภัยอ่ะพร้อมที่จะตกลงเมื่อไหร่ก็ได้เพราะยังไม่เข้าถึงนิยามาทำทำที่เข้าถึงความแน่นอนตอนนี้เป็นแค่อนิยามาทำคือไม่แน่นอนเลย ไม่แน่นอนเลยถ้าเรารู้แล้วเราเป็นบุคคลที่มีศรัทธา ย, ยังไม่แน่นอนยังไม่ตั้งมั่นเนี่ยนล้วเราจะมัวประมาทอยู่ใหญ่เลยใช่ไหมแล้วเราก็ทําร้ายตัวเองสิฉะนั้นเราจะต้องให้อาหารให้ปัจจัยเพิ่มพูนสภาพของสัตว์ทินรีวิริยะเป็นต้นเหล่าเนี้ยให้แรงกล้าทีนี้ถ้าเรามาดูมาพิจารณาดูทีว่า ฉันทะของผู้ที่สละทรัพย์ความเป็นเศรษฐีความร่ํารวยแล้วออกบวชในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่เนี่ยเนี่ยชันท้าของใครฉัน้นทะของพระเจ้าเตมียะนั่นคือพระพุทธเจ้าเป็นพระบริษัตอันนั้นน่ะดูฉั้นท้าท่านสิท่านมีศรัทธาท่านมีฉั้นท้า ท่านปราถนาจากเป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ปราถนาจะลงอบายภูมิเราเนี่ยเป็นมหาทุกขตะอยู่เนี่ยเราเป็นผู้ยากไรเพราะเรายังไม่มีอริยทรัพย์คือศรัทธาคือศีลคือหิริโอตปะ คือจาระคาและปัญญาเรายังขาดอริยรัพย์เรายังขาดศีลสมาธิปัญญาที่เป็นอริยรัพย์ที่ที่มั่นคงฉะนั้นในลักษณะอย่นี้จึงเรียกว่าเป็นมหาทุกตะที่พระท่านเล่าเล่านั้นเน่ะเล่าเรื่องมหาทุกตะเน่ยแต่มหาทุกตาท่านแก้ไขตัวเองได้แล้ว แต่มหาทุกตะที่กำลังนั่งอยู่หน้าที่นี้ยังแก้ไขตัวเองไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้สารณะเรายังไม่ได้ที่พึ่งแบบแข็งแรงท่านไม่ได้นับถึงทรัพย์ภายนอกท่านนับถึงทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์ดูสุภะสุสุ ป, ส ป, ปาพุท ธ, ธกุฏิซึ่งเป็นบุรุษโลกเรือนเนี่ยเป็นคนขอทาน ไปที่ไหนซอยไหนก็ร้องดังจนเจ็ดซอยแปดซอยเนี่ยจนคนนอนไม่ได้เพราะโรคเลือดกินเอาเนี่ยแต่ต่อมาฟังธรรมจากพระศาสดาแล้วท่านได้อริยทรัพย์แล้วท่านบอกว่าท่านไม่จนแล้วเพราะท่านได้อริยทรัพย์แล้วเห็นไหมว่าความจนทรัพย์เนี่ย ท่านไปได้มองถึงทรัพภายนอกท่านมองถึงการขัดสนจนอริยาทรภายในตอนนี้ศรัทธาเราเนี่ยยังจนอยู่เนี่ยเรายังเรายังเป็นผู้ทุกขตะเขินใจอยู่ในเป็นผู้ตกยากอยู่ในสังสารวัตที่ผ่านมาชีวิตของเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ตกยากมาอย่างยาวไกลในศาสนาของพระชินเจ้าอันประเสริญท่านไม่นับเรื่องการมีทัพภายนอก ถามว่าเมื่อมีซัพบภายนอกมากจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราทํากรรมชั่วซัพบภายนอกก็อยู่เพียงแค่ว่าลมหายใจเข้าอย่ออกลมหายใจออกยังไม่ดับเท่านั้นเองถ้าลมหายใจเข้าออกดับไปแล้วเนี่ยซัพบภายนอกมีประโยชน์อะไรแก่กระแสขันนี้กระแสชีวิตนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ามองอย่างเนี้ยถ้าเรามองเป็นวัตถุฐานได้มันถึงชัดไง แต่ถ้ามองเป็นวัตถุกรามได้มันก็ไม่ชัดสถทีหรอกเพราะไม่เห็นคุณของภาษาสดานี่แหละถ้าดูอย่างพระรัฐบาลละทีละพระรัฐบาละตอนนั้นท่านเป็นบุรุษใช่ไหมท่านเป็นชาวเด ล, ลีปัจจุบันนี่แหละที่ยอมสุวนรไปเรียนมานี่แหละเด ล, ลีน่แหละนัานพระรัฐบาลนั้นเป็นก็ชาวกรุ ท่านไปฟังธรรมจากพระศาสดาท่านก็เกิดฉันทะเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าท่านทนไม่ไหวหรอกท่านต้องบวชแต่ตอนนั้นท่านพูดไม่ได้ท่านต้องรอให้ญาติกลับไปก่อนแล้วท่านขอบวชกลัวญาติจะห้ามทันทีตอนนั้นและท่านจะอดบวชพอพระศาสดาบอกว่าต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ท่านก็กลับบ้านไปขอพ่อแม่ไม่ยอมท่านก็นอนนอกชาน บอกไม่เป็นไรพ่อแม่ไม่ยอมผมผมไม่ว่าแต่ผมจะนอนอยู่ตรงเนี้ยไม่ลุกไปไหนไม่กินข้าวปลาอาหารจนกว่าพ่อแม่จะอนุญาตให้ผมเข้ามาบวชในาศาสนาอันประเสริฐของพระชินเจ้างั้นถ้าไม่ได้บวชผมก็จะตายอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยพอพูดตรงน เ, าาเนี้ยเอ่อเอามานึกถึงท่านอาจารย์มีชัยรัะนแม่เปนโยมอันนี้ไม่ใช่ไปยกยอท่านเลย ท่านก็เดินออกมาจากเพศของคารวะด้วยความลําบากอย่างนั้น น, นต้องกล้าที่จะเดินออกมาบนความเศร้าโศกร้องไห้ของญาติมิตรเ น, นอันนี้แปลว่าอะไรเนะแปลว่าท่านกล้าทิ้งไงอันนี้เอาเอาที่เห็นๆนม่นจะไปนั่งยกยอพอปั้นกันเล่นนะ ท่านก็ไม่ต้องการให้พูดให้ฟังด้วยตั้มไปแต่พูดเนี่ยเพราะพูดจากความรู้สึกว่าถ้าเรามีชันท้าหรือศรัท ธ, ธาในพระเจ้าเนี่ยเรากล้าทำในสิ่งที่ดีเรากล้าบูชาท่านชีวิตมันไม่ประเสริฐถ้ามีชีวิตอยู่แล้วถ้ามีชีวิตอยู่แล้วเราเรากระทำบาปประเสริฐอะไร หรือมีชีวิตอยู่แต่ไม่เห็นคุณของพระศาสดาเนะี่ยการมีชีวิตอยู่ไม่ได้ประเสริฐอะไรเลยนะพาะมีศักดิ์แต่ว่าหายใจไปวันหนึ่งวันหนึ่งเดินลมหายใจก็ขาดแล้วก็ตายไปอย่นั้นแต่การมีชีวิตอยู่ที่การเห็นคุณของพระศาสดาที่กลานะ้าไงว่าเราได้เพศที่อุกผิดแล้วสถานะแห่งเพศที่จะจะได้ตรงนี้อีกไม่มีอีกแล้ว ถ้าเราดูอย่างนางสุมนาที่อดีตชาติที่เคยเล่าให้ฟังหลายๆครั้งอะอดีตชาติที่สมัยเป็นแม่ไก่สมัยพระกัสปะเออขอไปพระกากูสันทะพระพุทธเจ้าท่านเป็นแม่ไก่ฟังวิปัสนาฟังสติปัฏฐานจากพระท่านสาธยายวิปัสสนากรรมฐานท่านได้อัธยาศัยตรงนั้นน่ย แค่อัธยาศัยพวกฟังตรงนั้นเน่ต่อมาท่านก็มาตายจากสำนักของเหี่ยวเชี่ยวคอท้านขาดเนี่ยนะต่อมามาเกิดเป็นที่ดางไงหของกษัตริย์เนี่ยและต่อมายังปฐมฌานให้เกิดขึ้นไปเกิดเป็นปฐมฌานในปฐมฌานภูมิ และต่อมาตั้งแต่นั้นมาสังสารวัตรยาวไกลมาพกพระกุสันโทรพระโกนาคมณะพระ ก, กัสสปะดูที่ผ่านพุทธเจ้ามาน่ะสามพระองค์เวียนว่าให้ตายเกิดมาในสังสารวัตรยังยาวไกลมาสมัยพระบรมศาสดาของเราเนี่ยนางเกิดเป็นลูกสุกรพระศาสดาเดินไปที่ถนนพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พระศาสดาก็แย้มพระโอษฐ พระนนท์ก็ถามถามว่าไงถามว่าข่าแต่พระองค์พระเจ้เลิญพระองค์แย่พระอดเพื่ออะไรบอกดูก่อนอะนนท์เธอเห็นลูกสุกรไหมพระศาสดา ก, ก็เลยบอกเล่าอาดีตเลย น, นี่ไงมาจากแม่ไก่แล้วก็ต่อมาก็ได้สมาบัต ด, ด้วยนะพอเป็นมนุษย์เนะ่ะต่อมาไปเป็นพรหมเนะ แล้วยังเวียนไหวใจเกิดอีกนับภบนับชาติไม่ท้วนเนะพ้นทุกข์ไม่ได้แล้วตอนนี้ตอนนี้ยังพ้นทุกข์ไม่ได้เนี่ยตอนนี้มาเกิดเป็นลูกสุกรตัวเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยพอะ้าคาคตเห็นอย่างนั้นก็ชี้ให้พาดูพระองค์ก็แสดงโทษของตัณหาในตัณหาวักนะไปดูในในขุทกการณ์นิกายดูในธรรมบทที่พระศาสดาแสดงบอกว่ายาทาพิีพ่บอกว่าอนุปเทวะทนเเป็นต้นเหล่านี้ ชินโนปีรุโวเป็นต้นนี้เป็นไปตามลำดับเลยแล้วก็พูดถึงโทษของตันหาเนี่ยตอนนี้ตันหามเป็นเหมือนกับอะไรเหมือนกับรากไม้อ่คนไปตัดต้นไม้เนี่ยไม่ตัดรากเนี่ยตันหามันก็ต้นไม้มันก็ขึ้นอยู่เรื่อยเรานี่มาเจริญแค่ศีลกุศลทานกุศลศีลกุศลอย่างเดียวใช่ไหมภาวนากุศลก็เดินแค่สมถะเหมือ น, นอดีตจะชันไม่ไกลอ่ะ มันก็ลูกนางสุกรเนี่ยเป็นพรหมนะข่มกิเลสได้ก็เหมือนกับตัดต้นไม้ได้แต่ถอนรากไม่ได้ถอนรากของราคะโทสะโมหะไม่ได้มันก็แตกขึ้นมาอีกตัณหาก็แตกขึ้นมาอีกมันก็จเจริญงอกงามมาอย่างเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จเจริญไปทุกวันเนี้ยเนี่ยถอนรากตัณหาไม่ได้พอพระศาสดาสแสด ง, งนั้นพระได้บรรลุ ก, กันเยอะแยะ นางลูกสุกรตายแล้วก็ระเกิดในุวนภูมิจากสุวนภูมิกับไปที่พาราณาสีจากพาราณาสีก็ไล่ไปตามลำดับสูงสูงต่ำต่ำสิบสามอัตภาพจนพระศ า, ส, าสดาปรินิพพานแล้วเจนมาอยู่ในโยก ข, ของอนุราชที่เมืองอนุราชบุรีที่ลังกาเนี่ยมาเกิดเป็นนางสุมนาเป็นที่ดาของเศรษฐี ในยุคนั้นสมัยพระเจ้าเทวานามบิยะดิสมามาหมาดของพระเจ้าเทวานามบิยะิสาไปราชการไปเจอนางก็เกิดรักก็ขอแต่งงานแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเดิมในวันนั้นพระหมหาเทระที่ในมหาวิหารเนี่ยอัมพปาลีอที่ในในใ น, ในรังกาไปบิณฑบาตกับภิกษุสงฆ์พอไปเห็นนะท่านอุทาน โอโนน่าอัศจรรย์มากนางลูกสุกรมาเกิดเป็นภรรยาของมหมาหมัดแล้วนางได้ยินอย่างนั้นนางร้องไห้และลึกถึงอดีตได้และลึกชาติได้กาบเท้าสามีอ้อนวอนขอบวชเป็นภิกษุณี สามีก็อนุญาตแล้วต่อมานางก็ฟังสติปัฏฐานสูตรสมัยเป็นแม่ไก่นู้นน่ะพระท่านแสดงสติปัฏฐานสูตรนางได้เป็นพระโสดาบันต่อมาต่อมานางก็บรรเ็ญเป็นไปตามดับแล้วก็มาฟัง เจอในสีวีปะมะสูตรมาฟังเรื่องโทษของดินน้ำไฟลมอ่ะว่าเหมือนประดุดังงูพิษนางได้บรรลุปเป็นพระหลานในวันที่นางจะบรินิพานเนี่ยนางก็พูดถึงโทษของสังสารวัตรว่าตนเองเนี่ยมาจากแม่ไก่จากแม่ไก่ไปเป็นธิดาของกษัตริย์แล้วไปเห็นผิด ไปเป็นปริภาชิกาของดีรัถีไปในไปในฐานซ่วมเห็นหนอนได้ปฐมฌานทำปฐมฌานไปเกิดเป็นพรมแล้วก็สับสนเดินนานคติอีกหลายร้อยหลายล้านชาติน่ะเข้ามาเจอภะษาสดาเป็นลูกสุกรได้ฟังภะษาสดาแส ด, ดงคำได้อัตยาศัยหมุนมาอีกสูงสูงต่ำต่ำสิบสามอัตภาพ มาอยู่ในประเภทนี้ท่านเธอบอกว่าเธอได้เพศได้ฐานะอนอุกฤษแล้วท่านทั้งหลายสังสารวัตรมันมีภัยมันมีโทษอย่างนี้ตอนนี้ท่านทั้งหลายได้เพศที่อุกฤษแล้วจงบำเพ็ญสิกขาสามด้วยความไม่ประมาทเถิดนางก็ปรินิพานไปแล้วนี่ยุกเราไหมเนี่ยก็ยุกเรานี่แหละ ยุคเรานี่แหละพันกว่าปีเนี่ยนางเตือนใครเนี่ยเตือนพวกเราไงฉะนั้นการได้อัธยาศัยในการระลึกนึกถึงคุณของพระศ า, าสดาเนี่ยจึงเป็นคุณที่ยิ่งใหญ่มหาศาลถ้าเรามองตรงนี้เราจะเห็นนะว่าเนี่ยฉันทาเนี่ยที่บวกกับศรัทธาเนี่ยมีกำลังแรง แล้วสามารถที่จะฝ่าพันอุปสรรคต่างๆไปได้ถ้าวิริยะก็วิริยะที่พร้อมในองค์สี่ดังกล่าวที่บอกว่าผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิริยะถ้าได้ยินบอกว่าถ้าบำเพ็ญวิริยะแล้วย่อมได้ย่อมถึงย่อมบรรลุก็คิดว่าเราจับบำเพ็ญถ้าบอกว่าถ้าบอกว่า จะต้องเพียรพยายามเดือนหนึ่งสองเดือนปีหนึ่งสองปีสิบปียี่สิบปีบอกต้องเพียรพยายามสามสิบปีนะอย่างพระมหาติสานคนที่มีวิริยะอ่อนแอมีาธาตุวิริยะน้อยเนี่ยฟังแค่นี้ใจก็ตกหมดแล้วแค่เพียรเจ็ดวันก็ยังตกเลยถ้าบอกไม่หลับไม่นอนเจ็ดวันต้องเพียรเนี่ยนะใจก็ตกคนที่มีาธาตุวิริยะอ่อนแอเนี่ย ต้องกินน้อยนอยนอน้อยก็ตกเพราะเรามีาธาตุวิริยะอ่อนแอแต่ถ้าหากคนที่มีาธาตุวิริยะเข้มแข็งหรือแข็งแรงนี่นะเขาเป็นวิริยะที่ประกอบไปได้วยองค์สี่ดังกล่าวไงนเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปเถอะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะไม่หยุดความเพียนเนี่ย การตั้งในลักษณะงี้เขาเรียวกว่าเป็นผู้มีสมบัติทานที่แข็งแรงถามว่าวิริยะเนี่ยจะแข็งแรงได้ต้องมีศรัทธาไหมเป็นตัวหนุนเนื่องไหมต้องมีศรัทธาเป็นตัวหนุนเนื่องฉะนั้นบอกว่าถ้าบอกว่าจะต้องมนุษย์การตลอดเวลาจิตตกถ้ายินว่าจะต้องปฏิบัตินานจิตก็ตกท่านยิงอุปามา ย, ยัางไง ร, รู้ไหม คนที่ไม่มีธาตุวิริยะนี่เนะท่านอุปมาบอกว่าเหมือนหมาป่าที่ขาวตาขาวอยู่ในโพรงป่าเล็กๆตัวอยู่ในโพงไม้เล็กๆอยู่ในโพรงไม้เล็กๆไม่กล้าเดินออกจากโพรงไม้ออกไปหากินกลัวเสือเหลืองเสือดาวเสือโค่งมันจะกัดเอาถ้าบอกว่ากินน้อยนอยนอน้อยปฏิบัติทำความเพียรเจริญกุศล จิตตกแล้วไม่กล้าแล้วจะต้องมานสิการฟังคำสอนของพระศ า, าสดาเท่านั้นเท่านี้จกกิตก็ตกท่านเลวุมาเหมือนหมาป่าตาขาวไม่กล้าเกาะอยู่ในโพรงไม้ถ้าบุรุษชนคนใจที่หนาด้วยกิเลสทั้งหลายก็ไม่กล้าออกจากวัถุกรรม ไม่กล้าออกจากวัตถุ ก, กรรมไม่กล้าออกจากบ้านออกจากทรัพย์ไม่กล้าออกจากบุตรภรรยาสามีไม่กล้าออกจากญาติมิตรไม่กล้าออกจากกิเลสกามคือราคะโทสะโมหะกลัวกลัวความลําบากจากการเดินตามรอยบาทพระศาสดาแต่ไม่กลัวความลําบากเดินไปในสังสารวัฏ ไมกานี่เขาเรียกคนที่มีธาตุวิริยะอ่อนเอนั่นคนที่มีาธาตุวิรยิรยะไม่มีอ ร, ปรัปธาตานิกกรรมาธาตุไม่มีปรากกรรมาธาตุไม่มีเริ่มตั้งความเพียรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่มีนิกกรรมาธาตุคือการก้าวออกจากความเกียดค้านความหดถู่ท้อถอยปล่อยให้กิเลสครอบงําใจอยู่นะไม่มีปรากกรรมาธาตุคือเดินก็สู่ความเยนนะืิน ท่านทำมองอย่างนี้จะเห็นนัแหละจะเห็นว่าคนที่ไม่มีธาตุของความเพียรไม่คู่ควรโดยการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะถามว่าพระศาสดาเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาบำเพ็ญมาด้วยความเกียจ้านหรือไม่พระสารีบุตรเนี่ยทํำมาด้วยความเกียจ้านไหมพระโมคคัลลานะทำมาด้วยความเกียจ้านว่ามากรตศพเนี่ยพระอนนท์เป็นต้นนี้ท่านไม่ได้ทํำมาด้วยความเกียจ้านเลยนะ พระรัฐบาลเนี่ยบําเพ็ญอยู่สิบสองปีนะถึงได้รู้เนี่ยนาาทันพระเจ้าเนี่ยนะในยุคที่เห็นเลยด้วยตาเนื้อเลยเนี่ยเราก็ทันพระเจ้าด้วยตาในยังไงด้วยตาในพระศาสดาบอกว่าเห็นธรรมเห็นพระศาสดาได้อะฉะนั้นทามีจักรสูตของภริยะก็เห็นพระเจ้าได้ใช่ไหมตอนนี้เรายังไม่มีจักรสูตของภริยะเรามีจักรสูต ข, ของบุตรชน สมถาวิปัสสนาญาณ น, นั่แหละเป็นจักสูของพาริยะตอนนี้เราก็จะต้องขจัดความหมองมัวของจกักรสูที่เรามีจักสูของบริชนเนี่ยออกแล้วก็ใส่ตาใหม่คือจักสูของพาริยะให้เห็นคุณงบวาสาสดาส่วนจิตตะนี่นะยึดเอาอย่างมั่นคงในอิทธิบาทตั้งแต่ได้พบได้เจอาศาสนาของพระชินเจ้าอันประเสริฐ ยึดถือเอาใจที่ตั้งไว้อย่างแรงกล้าเมื่อได้รับความสุขได้รับลาบสกาละอันใดอันหนึ่งก็ไม่มีจิตหรือไปสนใจแย่สิ่งเหล่านั้นเลยเช่นได้รับเสียงสรรเสริญได้รับลาบสกาละได้รับการยกยอปอปั้นได้รับสถานะตำแหน่งหน้าที่การงานก็ไม่ติดสิ่งเหล่านั้นเลย กลับเป็นผู้ที่มีจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นในคุณของพระศ า, าสดาในพระธรรมของพระศาสดาเพื่อต้องการเดินตามรอยบาทของพระศาสดาไม่ถึงไม่หยุดก็หมายความอกว่าจิตจดจ่ออยู่ตลอดเวลาถ้ายังไม่บรรลุธรรมก็ไม่หยุดอันนี้แปลว่าเขามีจิตท่านมีจิตจดจ่อมีจิต มุ่งมั่นในคุณของพระศาสดาไม่มัวเล่นแกลแป ร, แรท่านในเรื่องอื่นถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าบางครั้งเนี่ยนะชีวิตของเราที่เคยหมกมุ่นในวัตถุกรรมเนี่ยนะบางคนทำงานเกี่ยวในเรื่องของวัตถุกรรมเนี่ยยอมตาเสียเลยนะบางคนเนี่ยบางทีเนะี่ยต้องคิดดูนะ นั่งทำท้องอ่ะคอยจ้องคอยจดบางคนทำบัญชีอย่างเงี้ยดูตาน่าจะามาดูพระธรรมคำสอนพระยาแต่ไปตรวจบัญชีจนตาจะบอดนะแต่มาดูพรทธรำของภาษาสดาเนี่ยไม่กล้าดูได้นิดหน่อยโอ้เดี๋ยวตาจะบอดเห็นไหมว่าเราแลกเอาชีวิตเข้าแลกเลยเนื้อหาวัตถุกรรม เสียงเป็นเสียงตายดึกดึกตื่นตืนไปคนเดียวก็กล้าเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวยังกล้าเนี่ยเพื่อต้องการแสวงหาวัตถุกรรมไปเจราจาไปต่อรองเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่พอถามพอถึงเรื่องของภาษาสดาเนี่ยโหครูว่าไม่จดจอ่อไม่มุ่งมัน่นอันนี้บ่งบอกอะไรเนี่ย ไม่มีจิตติธิบาทไม่แรงเหตุผลคือเราเราไม่ศรัทธาพระเจ้าข้อแรกเราไม่เพียรพยายามศรัทธาก็ไม่เป็นปัจจัยแก่วิริยะวิริยะก็ไม่เป็นปัจจัยแก่สติสติก็ไม่เป็นปัจจัยแก่สมาธิใช่ไหมไอ้ความมุ่งมั่นของจิตความแข็งแรงของจิตก็ไม่เกิดวิมังสา ปัญญาที่สามารถเห็นอย่างดีในไหนเราเห็นอบายภัยเราเห็นอบายทุกข์มเราเห็นไหมนรกั้ยเห็นั้ยปัญญาเห็นั้ยตาเนื้อเห็นน่ะนรกภูมิเห็นสัตระฉานแต่ตาปัญญาไม่เห็นน่ะสัตระฉานเกลื่อนไปหมดทั้งเสียงร้องทั้งตาเห็นตาเนื้อเห็น แต่ตาปัญญาไม่เห็นอันนี้ต้องแก้ไขที่ตาปัญญาอย่าไปแก้ไขที่ตาเนื้อเพราะปัญญาไม่เห็นทุกในไบยสัตว์เนี่ยเรานั่งอยู่เนี้ยนาทีเนี้ยหมูตายกี่ตัวรู้ไหมเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเอาโลกใบนี้ไก่ถูกเชื้อไปเท่าไหร่ปลาถูกฆ่าไปเท่าไหร่นั่นแหละอบยายภัย ตาเนื้อก็สัมผัสได้เห็นได้แต่ตาปัญญาไม่เกิดเพราะไม่วิจัยเพราะไม่พิจารณาเห็นอบายภัยไม่เห็นอบายทุกข์และเราพ้นยังโลภะโทสะโมหะอยู่ในใจยังมีอยู่กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมีอยู่บาปอกศุศลธรรมลามกยังไหลแล่นลื่นในใจเราอยู่ก็เหตุมีแบบนี้ แล้วไม่ไปได้ยังไงโลภกดหลงยังเหลืออยู่ก็นี่ไงนี่แหละอบายภัยในนาคตเราจะต้องไปดูอะไรอีกในเมื่อบาปเกิดในใจอยู่อย่างเงี้ยยังจะต้องไปดูผลไหมก็เหตุมันสมบูรณ์แล้วเนี่ยไม่ต้องไปนับผลแล้วแล้วที่ทํามาแล้วกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตบาปอกุศลธรรมเลามกทั้งหลายที่เป็น อุปัณนาอกุศลเนี่ยที่เป็นอุปัณนาอกุศลเนี่ยที่เป็นทิตาธรรมเวทนากรรมก็ให้ผลไปแล้วในภพนั้นนั้นในสังสารวัตที่เป็นอุปาชะเวทนียกรรมก็ให้ผลไปแล้วในภพที่สองแล้วถ้าเป็นอปราปราภะเวทนียกรรมชาวนาดวงที่สองดวงที่หกจะว่าไงเนี่ยทำมาจนเหลือนับประมาณไม่ได้ เคยทำกรรมไม่ดีมาเยอะเอาสมมติเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ใช่สมมุติเนอะเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยฆ่าพาหลานเนี่ยไอที่เป็นอุปชาเวทเนากรรมก็ให้ผลในใบยภูมิในอบบยศัสตร์เป็นลงอวิชีไปแล้วแล้ ว, ลวชนะตดวงที่สองอะถึงดวงที่หกอะยังไม่ได้ให้เลยที่ให้ไปแล้วว่าน้อยที่เหลือก็เยอะนั่นคือไฟสำหรับผู้ศึกษาพระธรรมเชิงลึก ถ้ารู้มุมนี้นะชีวิตถ้ารู้จริงๆท่านทั้งหลายจะอยู่ไม่ได้หรอกไฟมันเผาแต่ขอให้รู้จริงๆนะรู้ด้วยตาปัญญาอย่าไปรู้แค่ความทรงจำนะเอาปัญญาออกมาทำกิจแล้วนั่งคิดวิจัยบ้างแล้วจะเห็นว่าพระศ า, าสดานั้นมีพระมหากรุณาที่คุณยางรักกับเราอย่างเหลือล้นพ้นประมาณกว่าที่จะมีพระศ า, าสดาแต่ละองค์เนี่ย ยากวันนี้มีแล้วโอกาสก็มีแล้วแล้วก็บอกว่าไม่พร้อมอะไรคือความไม่พร้อมราคะในใจไงกำหนัดในลมเป็นที่ตั้งความกำหนัดไงสงสัยอยู่นั่นแหละโทรศะไง ขัดเคืองในลมไปที่ตั้งความขัดเคืองลุ่มหลงไอโมมูหจิตนี่แหละหลงอย่างยิ่งหลงอย่างเหลือเกินหลงอย่างมากตรงนี้แหละไม่กล้าที่จะเดิอนออกมาก็สงสัยอยู่นั่นน่ะสงสัยอยู่นั่นแหละไม่กล้ากรรําหนดลงไปอย่างแน่ว่าพระศาสดาดีจริงๆพระธรรมดีจริงๆพระสงฆ์ดีจริงๆพุทโธโลเกอุปันโนเนี่ยเป็นต้นนั่น พุยาอุบัติเกิดขึ้นแล้วจริงๆตอนนี้พระธรรมของพระองค์ยังมีอยู่จริงเนี่ยนี้ความแน่นอนของกระแสจิตเนี่ยไม่แข็งแรงเพราะมีโมโมหิตเพราะยังห่วงอยู่ยังหลงอยู่ยังไม่แน่ใจโดยเองเนี่ยตรงนี้เลยกลายเป็นปัจจัยทำให้เรากล้ากลักลกกลวๆเหยียบทางสองแพร่งอยู่ไปจะไปหรไม่ไป ไปแล้วจะไปรอดยังไปคิดว่าจะไปรอดหรือเปล่าไปหรือไม่ไปก็ไม่รอดอยู่แล้วยังไม่ชีวิตเน่ะก็เดินเสียตัดวิจิกิจฉาลงให้มากๆถึงละได้ไม่เด็ดขาดแต่ทำแต่ทางก็ประหารให้บ่อยเดินทางเดียวคือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระศาสดาวางหลักไว้ ถ้ามันท้อถอยขึ้นมาก็คิดถึง菩าสดาคิดถึงพระธรรมของ菩าสดาคิดถึงพระสงค์ที่เป็นสาวกของ菩าสดาแล้วก็เดินตามท่านไปทําอย่างเนี้นะเข้าใจก็จะคุ้นเคยกับคุณของพระรัตนตรยัยแล้วเราท่านทั้งหลายก็จ ะ, ะนะความคิดที่ไม่กล้าได้ฉะนั้นการเห็นอบายภายัยการเห็นอบายทุกในอดีตที่จะตามมาทับ กระแสชีวิตของเราและกำลังกระทําอบายภัยอบายทุก์ที่ในเป็นปัจจุบันที่กำลังสร้างเหตุอยู่เนี่ยอันนี้มันคือโทษที่มันปิดตาคือปัญญาอยู่ถ้าไม่ศาสตร์ทั้งหลายไม่เห็นความจริงของสังสารวัฏไม่กล้าความไม่กล้าของเราท่านทั้งหลายนี่แหละเพราะเราไม่ให้ปัญญาออกมาทางานเราไปปิดดวงตาคือปัญญาไว ฟังให้เข้าใจเที่ยวหนึ่งไม่เข้าใจฟังอยู่นั่นแหละอ่านอยู่นั่นแหละศึกษาอยู่นั่นแหละแต่อย่าสเสปรย์สปาให้รู้ว่าชีวิตเหลือน้อยอย่าเที่ยววิ่งลงทิศหลงทางหลอกตัวเองไม่ดีใช่ไหมเดินให้มันถูกรู้ว่าอะไรจะเป็นแรงกระตุ้นทำให้เราเข้าชิดพระพุทธเจ้าเน่ะก็ พอคูณบนนั้นเยอะๆนั้นถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าจะได้เห็นว่าปัญญาที่แทงตลอดได้อย่างกว้างขวางในสภาวะธรรมต่างๆอย่างลึกซึ้งผู้ที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาย่อมไม่แสวงหารสแห่งความสุขทางโลกียะทั้งหมดไม่เอาแล้วจะเอาทําไมรสแห่งโลกียะรสของกามาคุณ เพราะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นไปมันก็เอาไฟเผาโดยเองท่านจะไม่แสวงหารถของโลเกียสุรถของกา玛คุณรถของกา玛สุขอีกต่อไปแล้วเพราะมีปัญญารถของกามาคุณรถของกา玛สุรถรถของโลกียคุณเนี่ยมันให้โทษมันให้ความเจ็บปวดมันให้การจมอยู่ในสังสารวัต แต่จะเดินหารถของโลกุตระคุณอะไรที่เป็นเครื่องชี้แนวทางแห่งการที่จะเข้าถึงโลกุตระใช่ไหมส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระคือพระธรรมของพระศ า, าสดาไงพระไตรปิฎกไงอ่านไม่ได้ก็ใส่ผู้รู้ย่อยให้ย่อยให้ถูกอันนี้คือส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระ เขยมทิศที่ชี้พระโลกุตตรรรมมากีผล4ีนิพานหนึ่งก็จะสแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถ้ามองอย่างนี้ชีวิตมันชัดแล้วการเห็นคุณของพระศ า, าสดาก็จะได้แข็งแรงเป็นต้นเป็นไปตามลำดับถ้ามาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ ถามว่าชันทะวิริยะกิตตาวิมังสาเหมือนลูกเศรษฐีสี่คนภาษาสานั้นเหมือนกับมหาเศรษฐีพระองค์มีมรดกเยอะทั้งโลกิะมรดกและโลกุตระมรดกโลกิะมรดกระดับ พื้นฐานคือทานคือศีลสีลวิสุท ธ, ธิจิตวิสุท ธ, ธิสองระดับเนี้เรียกโลกิยามารดกถ้าโลกเศรษฐีถ้าเป็นคนที่มีฉันทะอย่างแรงกล้าคนที่มีฉันทะอย่างแรงกล้า เขามีความรักในภาษาสดารักในมรดกเศษฐีปรินิพานไปแล้วในยวะว่าเศรษฐีตายไปแล้วก็ทิ้งมรดกบนดินกับฝังดินไว้ลูกเศรษฐีสี่คนนะที่จริงท่านมีลูก6คน แต่ในสี่คนนี่แหละได้ทรัพย์ของเศรษฐีทั้งบนดินและใต้ดินคนที่มีฉันทะแรงกล้าที่เป็นลูกเศรษฐีก็ได้ทรัพย์บนดินด้วยแล้วก็ใต้ดินด้วยวิริยะก็ได้ทรัพย์บนดินด้วยเพราะความเพียรแล้วะใต้ดินด้วยกิตะก็จดจ่ออยู่ทรัพย์บนดินและใต้ดินด้วย คนที่มีปัญญาก็ขุดทรัพย์ใต้ดินได้ด้วยไม่แค่บนดินแต่คนที่มีฉันท้าวิริยะกิตะอ่อนเอหรือปัญญาอ่อนเอเือนลูกเศรษฐีคนที่ห้าและคนที่หกพ่อมีทรัพย์ก็เอาแค่ศีลแล้วแค่สมาธิธรรมดาธรรมดาแต่ไม่เอาโลกุตระไม่ขุดเอได้ใต้ดินแล้ว ถ้กินอยู่ไปพอเป็นคนดีไปคนหนึ่งเนี่ยในทุสีนแล้วก็เป็นคนดีแต่ที่สุดจริงๆก็ใช้ทรัพย์ใดแค่นั้นไม่ได้ประโยชน์ในท ร, รัพย์ในดินเศรษฐีคนที่หกเนี่ยทุสีนเหมือนคนทุสีนเนี่ยเอาทรัพย์สมบัติของพ่อขายกินเพลี้ยงไม่แต่จอบและเสียมที่จะขุดทรัพย์ในดินก็ไม่มี อุปมาบอกว่าเอาศีลของพ่อที่ให้มาเอาทานของพ่อที่ให้มาเอาสมาธิของพ่อที่ให้มาทำหลายเกลี้ยงและปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญามอดสิทธิ์โลเกียปัญญายังไม่ได้เลยก็กลายเป็นคนขอทานไปเราจะเป็นประเภทไหนเนี่ยนี่หกคนเนี่ยคนที่หนึ่งฉันท่าคนที่สองจิตตะ ค น, คนที่สองวิยะคนที่สามจิตตาคนสี่ปัญญาคนที่ห้ามีอย่างกลางคนที่หกผู้ศีล<ม>ก็ไปดูว่าเราควรจะเป็นคนคนไหนอันนี้วิพิจารณาอย่างนี้นะ